เวลาลงไปเฉยๆตั้งใจภาวนาให้ได้รับความสงบมีเป็นเวลาภาวนาไม่ใช่เวลานั่งนึกนั่งคิดนั่งปรุงให้มีความรู้สึกอยู่กับตัวมีสติกํากับตัวมีสัพชัญญะอยู่กับตัวมีความเพียรระคับระคลอยงที่ตัวเป็นเวลานั่งภาวนา เอาเวลาปพอดีพอดีไม่ถึงกับดึกเกินไปยังไม่ถึงกับโงมงเนียโม ง, งเหงาหาวนอนโทรอัดเข้าไปพุทโทพุทโทอัดเข้าไปอยู่กับอารมณ์เดียวพุทธโทอยู่กับความรู้สึกอันเดียวคือพุทธโทจับความรู้สึก มาที่จิตที่ดำริคำว่ า, าพุทธโธพุทธโธพุทธโธกากับดึงลมหายใจเข้าพุทห้ใจออกโทภาวนาสบายเภาวนาใจอยู่ภาวนาใจสงบมันไม่สงบมันออกไปได้เหตุใดให้เรารู้เราเรียบดึงกลับคืนมา ถาเราปล่อยสบายๆมันไม่ค่อยอยู่ให้เราตั้งเจตนาบังคับเข้าไปคือเจตนาเจตนาดำํำริหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุธหายใจออกโทจนความใจเชื่องจนความใจชินจนความจะอยู่เองอไม่ถึงกับจับใส่โดยเสียโดยทีเดียว น้องตาท่นานใช้คำว่าไม่ให้ทิ้งคำบริกรรมคำบริกรรมก็คือการว่าซ้ำๆนั่นแหละตัเดเยาะคาว่าคําว่าบริกรรมไม่ให้ทิ้งคําบริกรรมพอถ้าทิ้งคําบริกรรมสักหยหนึ่งมันเผลอแหละถ้าทิ้งคําบริกรรมสักยก็เผลอ ในคำบริกรรมนั้นนะ่ะมันมีเจตนามันมีความจงใจมันมีการดึงสติมาดึงสัมปชัญญะมาดึงความรู้สึกอยู่กับเนื้อกับตัวมาให้มันมีความรู้สึกอยู่กับกายมีความรู้สึกอยู่กับจิตจนะิตมันสงบสงบอยู่กับอารมณ์เดียว อยู่กับคําบริกรรมคํำเดียวพุโทโธพุโทโธพุทโธกําหนดด้วยอาการของกายหายใจเข้าพุทหายใจออกโธครูคบาอาจารย์จนให้ผนวกเข้าด้วยกันอันนี้คือวิธีภาวนาทาให้ใจสงบเมื่อใจมันสงบสติก็อยู่ในนั้นสามัญชัญญะก็อยู่ในนั้น สมาธิก็คือตัวจิตสงบนั่นแหละตัวปัญญาก็อยู่ในนั้นจะติสมาธิปัญญาอยู่ในนั้นมันตล่อมผลเข้ามารวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผู้ดำริคาว่าพุทโธก็คือใจผู้รู้สึก หายใจเข้าหายใจออกแล้วดำหิคาว่าพุทโธพุทโธก็คือใจสติก็คืออาการที่เกิดจากใจสัมปชัญญะก็คืออาการที่เกิดจากใจปัญญาก็คืออาการที่เกิดจากใจเวลาเขาสงบมาเราจะไปแยกทําไมเราไม่ต้องไปแยกว่าอันนี้สติเราไม่ต้องไปแยกว่าอันนี้สัมปชัญญะอันนี้อาตตพัทอันนี้คือสมาธิ่มีความสงบ เราไม่ต้องไปแยกเวลามันสงบมาเราก็รู้อยู่เฉพาะตัวเรามันอยู่ยังไงเราก็ดูทีจิตมันอยู่มันอยู่ยังไงอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยความรู้ตัวทั่วพร้อมมันมีอยู่เหมือนกับเตรียมตัวพร้อมอยู่นี่เขาเรียกว่าอยู่กับเนื้อกับตัวเวลามันไม่อยู่มันถูกอะไรดึงไป มันถูกกิเลสดึงไปพอเราหลวมๆสติเราไม่จันญะซะหน่อยหนึ่งแหะกิเลสมันมักคอยอยู่ข้างๆนั่นแหละมันคอยฉุดเราออกไปมาคอยลากเราออกไปลากไปเรื่องราคะลากไปเรื่องโทสะทั้งราคะทั้งโทสะก็คือเรื่องของโมหะนั่นแหละโมหะคือมันหลงมันเผลอ มันหลงมันเผลอมันเพลินไม่รู้มันหลงไปตอนไหนไมรู้มันเผลอไปตอนไหนรู้มันเพลิดเพลินไปกับอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นตอนไหนก็ไม่รู้เผลอออกออกไปตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ตัวนี้เหลยจะเรียก ว, ว่าตัวหลงหลงมันหลงมันเผลอมันหลงยังไงมันเผล อ, อยังไงเราดูดิเวลาเราหลงเราเผลอดูให้ออกจับอาการให้ได้ อ๋อกิริยานี่คือกิริยาเผลอกิริยานี่คือกิริยาลุ่มหลงมันเผลอไปเรื่องอะไรมันเผลอไปนึกไปปรุงจนเกิดราคะขึ้นมามันเผลอไปนึกไปปรุงจนเกิดโทสะขึ้นมามันเผลอไปนึกไปปรุงจนเกิดถ้ามีกิเตียนคนนั้นตำมีกิเตียนคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นน่าเจ็บใจน่าแค้นชัย คิดถึงเรื่องนี้น่าดีใจหน้าชุ่มชื่นหัวใจเนี่ยมันแทรกเข้ามาทุกอย่างถ้าแทรกเข้ามาแบบนั้นแล้วเราก็เผลอหลงไปหลงไปกับมันมีพถ้าเรีย ว, ว่ความหลงบางทีเราหลงชมตัวเองว่านึกดีคิดดีปรุงดีได้ความรู้ได้ความเข้าใจดีได้แบบอย่างที่ดีแต่ลืมไปว่าจะขอเนี่หลงปรุงไปใจไม่ได้รับความสงบ พวงเลเิดเปิดเปิไปตามตามเรื่องไปเป็นเรื่องของสัญญาอารมณ์ทั้งหมดไม่ใช่เรื่องของการภาวนาถ้าเป็นเรื่องของการภาวนาอยู่กับเนื่อกับตัวตลอดถ้าเราย้อนมาดูคําบริกรรมเราก็อยู่คําบริกรรมตลอดถ้าถึงกับอิ่มคาบริกรรมคุยกิดมันไม่อยากว่า จิตมันไม่อยากบริกรรมจิตมันไม่อยากว่ า, ามันอิ่มมันอิ่มคำบริกรรมมันอิ่มอารมณ์อารมณ์ที่ให้เ้าอยู่กับอารมณ์มันเดียว เ, เขาอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปเขาก็อิ่มพอเขาอิ่มเขาจะทิ้งคำบริกรรมถึงแม้ว่าจะทิ้งคำบริกรรมติต ก็อยู่ในนั้นสัมปชัญญะก็อยู่ในนั้นสมาธิคือจิตสงบก็คือจิตเริ่มสงบก็คือจิต ด, ดวงนั้นละดูละดูเห็นดูแล้ววิจารณ์วิจัยเวลามันเผลอไปอยังไงดึงเข้ามาดําริดวิจารณ์เข้าไปเวลามันอยู่มันสงบก็ปล่อยให้สงบอย่าไปวิจารณแต่ว่ามันหักรู้เราไม่จำเป็นต้องวิจารณ์ เราเคอยจับรู้รู้ตามหลังมันรู้ได้มันสงบเข้าไปด้วยอาการอย่างไงด้วยวิธีใดมันทิ้งคําบริกรรมอย่างไงพระบูเราเข้าใจเราออกมาแล้วเราพูดตามได้ถ้าเราถึงกับขั้นวิจารณวิจัยไปทุกระยะทุกเวลานั่นนะ่ะมีสติกํากลับไปพร้อมอันนี้ก็ไม่ผิดอันนี้ไม่ผิด มันเข้าหลังมหาสิบปทานว่าแต่ว่าเรามีสติอยู่กับเนื้อกับตัวมีสมัมผัสชัญยะอยู่กับเนื้อกับตัวมีอาตับปะอยู่กับเนื้อกับตัวไม่เสียไม่ผิดไม่ผิดได้รับทราบได้รับรู้เข้าใจกิริยาเข้าใจอาการเข้าใจกิริยาของจิตเข้าใจอาการของจิตเช่นอย่างจิตมีราคะ เรารู้เราก็จะว่าโอ้จิตมีราคาเป็นนี้เป <t os> ็นนี้เป็นนี้พอเราเรารู้รู้ป่ามันมันก็สงบราคาสงบจิตหมดราคะคือจิตมันคลายราคาเรกรู้มันคลายราคามันอยู่ด้วยภาวะใดมันอยู่ด้วยภาวะใดมันอยู่ด้วยภาวะแห่งความสุขแห่งความเปิดปินก็รู้ว่ามันอยู่กับปีติ รูวมันอยู่กับความสุดมันไม่ผิดมันเป็นหลังมหาสติปัฏฐานทั้งนั้นที่มันผิดก็คือเราเพลินเราหลงให้ราคะแทรกเข้ามานั่นนะมันแทรกเข้ามาบ่อยๆครั้งเข้ามันเป็นวิบาสรายมันแทรกเข้ามาบ่อยๆครั้งเข้าเป็นวิบาสแต่ตราบใดที่ราคะยังมีอยู่ภายในใจของเราเราจะไม่ให้มันแทรกมานี่ไม่ได้ แต่ว่าด้วยการระมัดระวังของสติของสัมปชัญญะเพราะมันแทะมาให้เรารู้ปั๊บแทะมาปุ๊บให้เรารู้ปั บ, ป ใ, หรรปบให้เราทันมันเพราะการที่เราทันแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเหมือนกับการจับได้คาหนังคาเขากระ้ายๆว่าจับจับผู้ร้ายได้มันขโมยมาผู้ร้ายขโมยออกนอกลู่นอกทาง ภูร้ายคือใจนี่ยแหละที่มันขโมยออกนอกลู่นอกทางนอกลู่นอกทางไปราคะกับเรื่องชายกับเรื่องหญิงกับเรื่องสิ่งเรื่องของเรื่องสิ่งที่ชอบใจทั้งหลายทั้งปวงเกิดนึกเกิดชอบขึ้นมานั่นแหละนอกลู่นอกทางเข้าไปจับผููร้ายได้จับความร้ายกาของจิตได้พอมออกไปพับเระจับได ป, ปับ๊บ ว่าเราจับได้เราเจับได้คืออะไรก็คือสติคือสัมปชัญญะสติกับสัมปชัญญะคือเครื่องไม้เครื่องมือชําระจิตสติกับสัมปชัญญะอาตปัดประกอบกันเป็นปัญญาเป็นเครื่องมือชําระจิตพอาจิตตัวที่เป็นนักโทษมันเผลอมันเผลอออกไปหาโทษปั๊บแะจับปุ๊บได้ปั๊บเผลอออกไปปั๊บแล้วจับปุ๊บได้ เลือออกไปเพระไปจับพุ๊บได้นี่มันได้มันได้ทั้งพยานได้ทั้งหลักฐานค้าหนังคาเขาถ้าเราจับได้บ่อยครั้งแบบนี้จิตมันสยบเราง่ายจิตมันสยบเร็วมันกระเทือนกิเลสได้แรงรุนแรงมากกิเลสภายในใจเรามันกระเทือนมันรุนแรงเพรัชนการจริตสติสมาธิปัญญา รวมไปแล้วถ้าลักษณะที่ว่านี้มันก็เป็นลัลกษณะการเจริญสติเรารู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันตั้งอยู่ยังไงมันมันดับไปไหนมันเผย อ, ออกไปตอนไหนเรารู้ได้เราจับได้เราทราบได้ในเมื่อ เ, เราจับได้ขานังคาเขาก็เป็นเรื่องเป็นคดีกันมันก็ยุยบย่อไปนานกว่ามันจะกําเริบเสิ่อสารขึ้นมาที่จิตอีกมันมีอะไรที่ต่อเนื่องเราไม่จับมันนั้นต่อไปมีอะไร ต่อเรื่องเราก็จับอันนั้นออกไปจับต่อไปอีกจับต่อไปอีกอันนี้ถ้าเพิดจิตมันคิดอยากจะทํางานเราคิดแบบนี้มันก็เป็นการเจริญสติเจริญมหาสติเกลียดแทรกมาไม่ได้แทรกมาปุ๊บรูปปั๊บมันก่อร่างสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างไม่ได้มันปรุงไปยังไม่ได้ยืดเดี๋ยวยังไม่ได้พอพอว่าพอเม็ดพอว่าเราก็จับได้เมือ่อจับได้คาปากมัน จับผู้ร้ายได้คาหนังคาเขางั้นเถอะโอกาสที่มันจะมาก่อกวนเราเนี่ยมันก็จะสยบไปอีกนานนานมันไม่ไปที่ไหนมันไม่นานไปที่ไหนก็มันก็อยู่ที่ใจนี่แหละหลมตัวเผลอให้กำมันอีกมันก็โผล่เข้ามาอีกหลวงตัวเผลอให้กำมันอีกมันก็โผล่เข้ามาอีกนี่แหละคือการต่อกลนกันกับที่เลย การที่เราใช้ตปะธรรมต่อกันกันอยู่ทุกระยะทุกเวลามันเป็นการแผดเผาแผดเผากิเลสคือกิริยาที่เกิดขึ้นที่จิตความชั่วช้าของจิตที่มาแสดงกิริย า, าการรับสิ่งข้างนอกมารับสัญญาอารมณ์ที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นอะไรต่างๆที่ล่วงออกมาแล้วเป็นสัญญาอารมณ์มันลึกมาคิดมาปรุงมาแต่งมาอะไรต่ออะไรสารพัด เหมือนอย่างเราเป็นเป็นเรานั่งนึกนั่งคิดนั่ง p ร u n นีแ่แหละแม้แต่เรานั่งเภาวนาถ้าเราขาดความสังเกตสังการจริงๆมันก็ไม่ต่างอะไรกับเรานั่งนึกนั่งคิดนั่งปรุงธรรมดาธรรมดานี่เอนึกถึงสิ่งที่น่า ย, ยินดีแล้วก็เพลิดเพลินยินดีเยอะไปจนจบเรื่องจบราวนึกถึงเรื่องที่ไม่น่ายินดีมันก็ซื้อไปจนจบเรื่องจบราวจากนั้นเราจบเรื่องนี้มันก็จับเรื่องนั้น จบเรื่องนั้นไปจับเรื่องนั้นจบเรื่องนั้นไปจับเรื่องนั้นมันหากไม่จบมันจบเรื่องนี้แต่ไปจับเรื่องนั้นจบเรื่องนั้นไปจับเรื่องนี้ไม่จบทั้งวันนั่งทั้งวันกหนั่งนึกนั่งคิดนั่งปรุงทั้งวันเราไม่ทันมันมันกลายเป็นจิตของคนทั่วๆไปที่ไม่ได้ฝุกฝนอกรมแต่ถ้าเป็นจิตของผู้เดชเจริญ ทำเจริญสมารถธรรมฝึกฝนอบรมตนอยู่กับเนื้อกับตัวมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวมีสัมผัสชัญญะอยู่กับเนื้อกับตัวรู้ได้เร็วเข้าใจได้เร็วมเมื่อไรเขาต้องการสงบก็ให้เขาสงบเขาสงบไม่นึกไม่คิดไม่ปรุงไม่แยกแยะไม่อะไรก็ให้เขาสงบสงบแบบไม่นึกไม่คิดไม่ปรุงไม่อะไรนะ่ะสงบแนบแน่นโร่อยู่ คำบริกรรมอารมณ์อะไรต่างๆก็อิ่มหมดแล้วแหละไม่เอามาไม่เอามาบริกรรมไม่เอามาบริบริโภคแล้วแหละการที่เราบริกรรมมันก็คล้ายๆการบริโภคอะไรเหมือนกับเรารับทานอาหารเราบริกรรมเข้าไปบริกรรมเข้าไปอาศัยสติสติต่อสติสติต่อสติสัมปชัญญะต่อสัมปชัญญะสัมปชัญญะต่อสมาสัมปชัญญะสมาธิต่อสมาธิสมาธิต่อสมาต่อก็เป็นพืชไปเลยเนี่ย มืนอนจะอัดเอาอัดเอาอัดเอาอัดเอากำลังกําลังจิตของเราก็ดีขึนกำลังกำลังความสงบของเราก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นงสงบเขาต้องการสงบสงบจนจนเราไม่ว่าคําบริกรรมแล้วก็ปล่อยเขาสงบสงบอยู่ยังไงเราก็กําหนดรู้มันสงบ อ, อยู่ยังไงมันสว่างโล่อยู่เฉพาะตัวมีความรู้อยู่เฉพาะตัวแล้วก็ปล่อยเข้าไปไม่ต้องไปเอะใจแหละปล่อยเขาสงบไป พอเขาเริ่มกระดุกอดิกขึ้นมาถ้าเราต้องการให้สงบเราก็อาัดเข้าไปอีกอยู่ได้มากน้อยเท่าไหร่เราก็อัดเข้าไปอีกโผล่เข้ามาอีกเราก็อัดเข้าไปอีกแต่ถ้าหากเราเห็นสมควรจะพิจารณาบ้างเราก็เอามาพิจรารณาเอามาพิจรารณาเอามาพิจารณาก็คือมีสติมีสัมผชั้นยะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ทางานการข้างหนภายในอยู่ เราไม่รู้จะจับอะไรเราก็จับอารมณ์อาการของจิตตอนนี้เป็นยังไงเราก็จับเลยจับปุ๊บขึ้นมาเลยจิตอิอ่มเอิบเราก็จับไปจิตอิ่มเอิบเนื่องจากว่าจิตถอนออกมาจากความสงบความสงบนี้มันแนบแน บ, แ น, บแน่นที่จิตแนบแน่นมาถึงกายถึงแม้ว่าจิตจะถอนจากความสงบมาแล้วความแนบแน่นความเ อ, อิบอิ่มความอิม่กายยังมีอยู่ยังเป็นอยู่ อาการของมันยังมีอยู่ยังเป็นอย umm. ู่เราก็จับเราก็จับตัวนี้หระพิจารณาพิจารณาถึงการเกิดของมันพิจารณาถึงความเปลี่ยนไปของมันมันก็เปลี่ยนไปของมันมันเกิดแล้วมันก็เปลี่ยนไปของมันแล้วก็ดูมาที่จิตจิตรับทราบยังไงมีความรู้สึกอย่างไงก็จับความรู้สึกของจิตทําความรู้สึกตามต่อเนื่องกับ กับความรู้สึกของจิตเนี่ยมีสติก็กลับอยู่ตลอดแบบนี้เป็นการพิจารณาไปเรื่อยเข้าในหลักอานิจังทุกขังอนัตตานอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงไม่คงไม่คงทนไม่มีอารมณ์ใดแม้แต่อารมณ์เดียวคงทนอารมณ์ที่จิตก็ไม่คงทนอารมณ์ที่กายก็ไม่คงทนอารมณ์ที่กายมันมันคงทนยังไงเราดูมาที่ลมมันหายใจเข้าไป เดี๋ยวมันก็หายใจออกมาเดี๋ยวมาหายใจเข้าไปเดี๋ยวก็หายใจออกมานี่คือความไหวของกายอารมณ์ของกายการที s. S ่เราเอาจิตมาจับรุ้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกนี่ก็คือเอาลมเป็นอารมณ์เอาลมเป็นอารมณ์อารมณ์ที่จิตก็ไม่คงทนเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเกิดขึ้น มีความอนตรายอย่างที่เกิดขึ้นเราเพ่งดูเจ้าดูที่มันคงที่ไหมล่ะกําหนดจดจ่อดูคงที่ไหมมันจะขยับตัวเข้ามัาเรื่อยๆขยับตัวเข้ามันเรื่อยๆขยับตัวเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆอารมณ์ข้องกิดขยับตัวไปเรื่ยตราบใดที่เขาไม่สงบไม่อยู่กับอารมณ์เดียวแล้วเนี่ยเขาจะขยับตัวพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันทนไม่ได้เปลี่ยนไป เป็นลักษณะทุกขงังเปลี่ยนกปเรยเป็นลักษณะอนิจจังตามภาวะของมันเราบังคับไม่ได้มันเปลี่ยนไปตามอาการของมันเราบังคับไม่ได้ด้วยเหตุ น, นี้ท่านจึงว่าอนัตตาอนัตตาเราบังคับบัญชาไม่ได้เราเขงคิตเปลี่ยนไปแต่ผู้รู้ผู้รู้ก็เปลี่ยนไปเหมือนกันแต่ก็เป็นการปรับสภาพตัว สติเอยสัมปชัญญะเอยปัญญาเอ่ยปรับสภาพตัวไปเรื่อยอาจจะชัดเจนบ้างอาจจะเลือนลางจางจางบ้างอาจจะชัดเจนบ้างอาจจะจางบ้างตามระยะเป็นระยะเป็นระย ะ, เ ป, ะ, ยะเป็นระยะไปในการที่จะมาจับจับงานทั้งหลายทั้งทั้งหลายเหล่านี้คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นที่จิต ก็จะตามตออ่อเนื่องพิจารณาจนให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจอเราก็จับงานสองอย่างแหละหนึ่งให้สงบสองพิจารณาพิจารณาไม่ไปหน้าไม่ไปหลังไม่ไปอะไรยังไงก็ตามแต่ให้เราอยู่กับความรู้สึกก็มาจอ่จออยูก่กับความรู้สึกนั่นแหละมันรู้สึกที่กายเป็นยังไงมันรู้สึกที่จิดเป็นยังไงก็จับอันนั้นแหละเราจับได้ทุกระยะนะ ไม่ใช่ว่าเออจับไปแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรจับแล้วไม่ใช่นี้จับต่อเนื่องทุกปียะเมื่อสรุปลงแล้วงานทั้งหมดนี้ไม่นอกเหนือไปจากหลักของกายของเวทนาของจิตของธรรมไม่นอกเหนือจากกายรู้เรื่องของกาย ไม่นอกเหนือไปจากเวทนารู้เรื่องของเวทนาเวทนากายเวทนาที่จิตเวทนาใจแล้วก็มาที่ใจเอาใจเป็นเบรคอาใจเป็นอารมณ์เอาจิตเป็นอารมณ์ตามดูจิตกําหนดตามดูจิตพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมงานมากมายเยอะแยะเราไปดูในหลักบาสติปัฏฐาน ไปดูท่าพูดเอาไว้งานทั้งนั้นเลยเนะี่ยเราจับมาอ่านดูแล้วใจเรามันเกาะตรงไหนพอที่เราจะทํางานไปแล้วเนี่ยพอจะได้งานได้การได้ช่องได้ทางได้หลักได้เกณฑ์เราจับตรงนั้นให้มัน่นก็มาพิจารณาตรงนั้นให้มัน่นทํางานตรงนั้นให้มัน่นการภาวนาการภาวนา พื้นฐานแท้ๆนี่ท่นานไม่ทิ้งคำบริกรรมลง่งตาท่นานไม่ไม่ทิ้งคำบริกรรมมีสติกำกับอยู่ตลอดเรานั่งนานก็ตามนั่งไม่นานก็ตามกลับไปให้เรามีสติอยู่กับเนื้อกับตัวเราตลอดมีความสงบอยู่กับเนื้อกับตัวตลอดก็ถือว่าได้ผลเรานั่งมากก็ตามนั่งน้อยก็ตาม เราปล่อยให้หลงลืมสติอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็ถือว่าขาดความเพียรตว่าขาดความเพียรแต่เรามีสติมีสามชัญญะกำกับอยู่กับเนื้อ ก, กับตัวตลอดทุกยืนเดินนั่งนอนตลอดได้ทั้งวันเนี่ยตลอดคนนั้ น, นมีความเพียรตอนนอั่งทั้งวันอันนี้เราย้อนมาที่ตัวเราวันคืนโลงไปเรากำหนดได้มากน้อยแค่ไหนขนาดไหน ผลที่จะตามมาก็คือผลจากความสงบผลจากความรอบรู้ผลจากความเบาบางไปของกิเลสทันหาอาสวะภายในใจมันก็เป็นมาตามเหตุผลเหตุเป็นมาตามผลงานที่เราทำนี่แหละบางทีวันทั้งวันเรานึกถึงพุโทโธไม่กี่ครั้งวันทั้งวันเรามีสติอยู่กับเนื้อกับตัวไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมง แล้ววันทั้งวันเราก็ปล่อยให้กิเลสแทกทั้งวันโอกาสที่ผลจะปรากฏขึ้นที่ใจมันก็เป็นไปได้ยากตราบใดที่อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับท่าทีที่เรามีสติมีสัพพัญญามีความภาคภูมิเราก็เป็นตัวของตัวเรารู้สึกอยู่กับตัวตลอดเราเป็นตัวของตัว ผลก็ย่อมจะปรากฏที่ใจตลอดตราบใดที่มันไม่อยู่กิเลสแทรกเข้ามากิเลสกับสร้างเนื้อสร้างหนังสร้างเนื้อสร้างตัวของมันมันก็เป็นกิเลสตลอดสมมติอย่างวันทั้งวันเราทาครึ่งต่อครึ่งมันก็ลบล้างกันหายหมดวันทั้งวันนะ่เราภาวนาบ้างเราไม่ภาวนาบ้างเอาทำาก็สู่ใจบ้างปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้กิเลสเข้าแทรกที่ใจบ้างมันก็ลบล้าง หายไปหมดทั้งวันไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ยกเว้นที่เราได้อารมณ์ธรรมที่เป็นเหตุให้สลบจิตสลบใจเป็นเหตุที่รุนแรงเป็นเหตุให้สลบใจสลบใจเกิดเบื่อเกิดนายคลายจางในสังขารร่างกายเป็นเหตุให้กระทบกระเทือนให้เกิดความกระเทือนใจสะเทือนใจเกิดความบือ่อ น, นาย อันนี้อารมณ์อันนี้ก็จะฝังใจได้นานฝังใจได้ระยะยาวโอกาสที่กิเลสจะแทรกเข้ามามันก็ยังแทรกเข้ามาไม่ได้เนื่องจากว่ามันมีผลต่อเนื่องอยู่บางทีก็อาจจะมีผลเป็นหลายๆวันกว่าจะหมดจากอารมณ์อันนี้ไปอันนี้เราถือว่ามีผล มันมีผลมากมันมีผลน้อยมันมีผลหนักมันมีผลเบามันหากมีผลเป็นช่วงเป็นช่วงถ้าเราทำกิเลสความสงบอย่าลืมว่าการตั้งใจภาวนาเนี่ยเราตั้งใจเพื่อภาวนาให้กิเลสสงบเมื่อสงบแล้วก็พิจารณาเกิดความเรอดเพื่อดึงเพื่อถอนกิเลสออกจากใจของเราเพราะกิเลสเป็นตัวเสียบเป็นตัวจันไรเป็นตัวเสี่ยนเป็นตัวน้ํา เป็นตัวคอยดึงฟืนดึงไฟมาสู่จิตใจของเราดึงฟืนดึงไฟมาสู่กิริยากายของเรากิริยาวายาของเราเพราะเราหลงเผลอแล้วก็ทำลงไปแล้วก็เอาทุกเอาความร่ำรวยร้อนเอาฟืนเอาไฟมาให้เราอันนี้เป็นประจำหนึ่งเมืองไม่ว่าหัวใจของใครไม่ว่าหัวใจเราหัวใจท่านเราเป็นอยู่อย่างนี้ด้วยกันทุกคนเราเป็นอยู่อย่างนี้ด้วยกันทุกคน ให้เรามีความรู้สึกอยู่เฉพาะตัวรู้เนะื้อรู้ตัวอยู่กับตัวเองตลอดไม่ว่ายืนไม่ว่าเดินไม่ว่านั่งไม่ว่านอนเว้นแต่หลับตื่นขึ้นมาก็ทํางานต่อนึกต่อคิดต่อพิจารณาต่อนั่งนึกนั่งคิดนั่งปรุงเป็นเรื่องอาจเป็นเรื่องทำก็ถือว่าใช้ได้จากนั้นแล้วก็ทําให้ใจสงบได้รับความสงบจับนึบเข้ามาที่กายทันที ถ้าเราเคยได้รับความสงบแล้วเรากําหนดมาแล้วมันก็มันอยู่มันดิ่งรองทันทีถ้าเราเคยได้รับความสงบมันดิ่งเหมือนมันจะขาดใจเหมือนเหมือนจะขาดลมะมันจะไม่หายใจทันทีแหละเรากําหนดปุ๊บมาันก็ได้เลยเราทําไปครั้งเข้ามันจะเป็นนั้นความคสงบก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละถ้าเราทํายังไงก็ไม่ได้รับความรู้สึกเนื้อรู้สึกตัว ยังไงก็เมื่อก็ว่าเราเนี่ยล่องลอยอยู่กลางอากาศไม่ได้อะไรเป็นหลักเลยนะลองทางําความรู้สึกให้กํามันลองดูกลั้นลมหายใจลองดูกลั้นลมหายใจฝาดมันจะดึงความรู้สึกขึ้นมาพอดึงรู้ดึงความรู้สึกขึ้นมาเนี่ยเราก็ตั้งเมื่อตั้งตั ว, ต, วต่อไปอีกคอยตั้งใจบริกรรมตั้งใจภาวนาะไปไปอีก พอเวลาใจจะขาดลมจะหมดเนี่ยมันก็สุกเนื้อก็สุกตัวขึ้นมาร่างการนี้ก็พอยตื่นขึ้นมาไม่เชื่อลองดึงเวลามันสงบจริงๆเวลามันสงบจริงๆมันเหมือนกับไม่หายใจมันเหมือนกับไม่หายใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวความรู้สึกอยู่กับเนื้อกับตัวอารมณ์มันละเอียดเหมือนกับเราไม่หายใจเข้าไม่หายใจออก หากมีความรู้เฉพาะตัวสว่างร่อยู่ความเปิดออิ่มความปีติอะไรอยู่ในนั้นหมดอันนี้มันก็เป็นพลังของจิตเป็นกำลังของจิตเราทำให้มีเพิ่มพูนทวีคืนคูนขึ้นทุกวันพลังอันนี้นะมันจะเป็นพลังพลังจิตบรดาพลังจิตทั้งหลายทั้งปวงในโลกสมาธิเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้จิตมีพลังคือความสงบเมื่อมีความสงบสติก็ดีสัพพัญญา ก, ก็ดีปัญญาก็ดีเนื่องจากว่ามีสมาธิดีน้อมมาในการในงานที่เป็นอัดเป็นธรรมก็ย่อมได้อัดได้ทำแต่พวกมิจฉาชีพวกมิจฉาสมาธิน้อมสมาธิไปในทางที่ไม่ใช่ธรรมถึงขณะดเขาน้อมไปในสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมเขาก็สามารถทำสิ่งเหล่านั้นให้ได้รับประโยชน์ขึ้นมาได้ เช่นอย่างพวกใช้พลังจิตไปในทางวิชาชีพไปในทางสะกดจิตเพื่อเอาทรัพย์เพื่อเอาอะไรตัวไหมันดีมากตามที่เราได้ยินอันนี้คือการเอาพลังจิตเอาไปใช้ในสิ่งที่ไม่ใช่อัดไม่ใช่ทำขณะนั้นก็ยังมีพลังยิ่งเราเนาะมาในทางธรรมพิจาน่าให้เห็นอั น, นิจ้อางทุกครังอนัตตาเขายอมจะเห็นยอมจะรู้ยอมจะเห็น ยมจะเข้าใจเข้าใจมากเข้าใจน้อยเข้าใจเรื่อนรางเข้าใจขยับไปไปเพื่ออะไรไงมันก็ชัดเจนที่ตัวของตัวเราไม่ต้องใจภาวนาไม่ใจได้กับความสงบเราเดินอก็ลงมากๆก็ดีในระหว่งที่เราเดินนะมันตื่นตลอดนะแต่ให้อยู่กับเนื้อกับตัวนะไม่ใช่เดินนึกเดินคิดเดินปรุงไม่ใช่ โดยนิ่งกรมให้อยู่กับความรู้สึกบริกรรมจะบริกรรมก็บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธหรือจะอยู่กับกิริยาที่เดินก็ได้ก้าวขวาก้าวซ้ายก้าวขวาก้าวซ้ายมันหามีความรู้สึกบอกแล้วก็จับกับความรู้สึกนั้นเดินกลับไปเดินกลับมาแต่ถ้าหากเรานะพุทโธแล้วเราก็ไปที่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแต่อย่าลืมสำรวจดูความรู้สึกของตัวเองวยบางทีพุทโธแต่ปาก ขาดความรู้สึกตัวขาดสติขาดฉับิญญาณมีกระว่าไปตามความชิน่นตามความชินป่าละในขณะเดียวกันจิตล่องลอยไปที่ไหนก็นไม่รู้จิตมันตื่นดีเวลาเราเดินโยกลม้มจิตมันตื่นดีเดินเดินอย่างไรเดินขนาดไหนครูบาอาจารย์าะให้เดินจนเมื่อยเดินจนเหนื่อยจนได้ทับความสงบ เมื่อรับความสงบให้ให้เขาสงบอยู่เขาจะยืนอยู่จะกำหนดอยู่จะบริกรรมอยู่จะยังรู้ทำอย่างใดหนึ่งอยู่ก็ให้สนใจจากนั้นก็เดินเดินเดินเดินจนเหนื่อยเพราะในระหว่างที่เราเดินเนี่ยจิตมันตืน่นตลอดสติก็ดีสยามัญญาก็ดีถ้าเราพิจารณาอัดทำอะไรได้เกียมแจ้งตอนนั้นเนี่ยจะทําให้ได้หลักได้เกียรที่ดีเนื่องจาก จิตมันตื่นดีจิตมันไม่ครึ่งหลับครึ่งตื่นจิตมันไม่หลับหลั บ, ล บ, ล บ, ลบตื่นตื่นหลับหลับตื่นตื่นไม่ได้เดินนะ่ะเหรือมันก็ลงทางลงทางโครมโครมเข้าไปพอ mm hmm. เราเดินจนเอยเราก็ไปนั่งอร่างกายมันอยากร่างกายมันอยากพักผ่อนใจมันก็อยากพักผ่อนเรากําหนดให้สงบมันก็สงบไปเร็ว นือกับเนึ่ ง, นงจาว่าร่างกายมันก็อยากพักผ่อนใจมันก็อยากพักผ่อนเพราะเวลาเรากําหนดให้สงบมันก็สงบได้ด้วยมันจะนั่งมากนั่งน้อยขนาดไหนก็ตามเราก็นั่งลงไปนั่งการนั่งนานๆกด็ดีนั่งจนรู้สึกทุกขเวทนาครอบงำเจ็บปวดเจ็บหัวเขาว่าปวดหัวเขาว่าปวดตว่อโภคปวด มันเอวปวดตรงไหนก็แล้วแต่ปวดไหลปวดต้นคอปวดตน้นไหนก็้มันปวดไปเรายังไม่เปลี่ยนมันปวดเข้าไปเราไม่ไม่ไม่ยอมเปลี่ยนนั่งบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเพื่อให้ใจได้รับความสงบใจมันก็สงบอยู่กับอารมณ์เข้ามาพุทโธแต่ในขณะเดียวกันเวทนามันมาครอบเวทนามาครอบกายเราก็มากำหนดที่เวทนาย ดึงหลักมาสิติปทานมาใช้ได้เลยก็ามดมาที่เวทนาเอาใจใส่ลงไปที่ตัวทุกเขเวทนาที่เจ็บแสบปวดร้อนอยู่ตรงนั้นเอาใจเข้าไปอยู่ท่ามกลางนั่นแหละเอาใจไปทําให้เท่ากับเวทนาที่มันเป็นทําใจให้เท่าเอาใจตัวนั้นไปเป็นเวทนาไปแช่อยู่ในเวทนาลองทํำดู มันจะเห็นว่าเวทนาทาบว่าเป็นเวทนาจริงๆมันทุกอวัยเวทนากรสักพราว่าเป็นวาเวทนาจริงๆใจที่ไปเทียบเคียงเด่นชัดอยู่ก็ใจกรสักพราะว่าเป็นใจจริงๆคือผู้หู้เป็นผู้หูจริงๆมันคนละอันทีถ่ถ้าเราจะย่อนย่อนไปที่กายอ้าวเวทนานี่มันเกิดที่กายเวทนาไม่ใช่กายกายก็ไม่ใช่เวทนา แต่ว่าเวทนาใส่กายเกิดกายเป็นที่เกิดของเวทนาใจเราพิจารณาเวทนาอยู่พิจารณาทุกขเวทนาอยู่แล้วก็ย้อนม า, มาที่ใจใจมันก็ไม่ใช่เวทนาแต่ใจรับรู้เวทนาใจรับทราบเวทนาคือกายทุกเนั่ยกายมันเจ็บมันแสบมันปวดมันทลอนใจมันรับทราบใจรับรู้อืม แต่ถ้าหาเราเผลอนะมันจะปล่อยเกิดความทุกข์เข้ามาที่ใจใจยึดว่าเราเจ็บนะเผลอละมีเวทนาเกิดที่ใจละตอนนี้เวทนาเกิดที่จิตใจได้รับความทุกข์ละได้รับความไม่พอใจละโทมันักนะใจได้รับความทุกข์จจะกกละแต่ถ้าหากเราขยับขี้เกในเขาเนี่ยรู้สึกว่าเวทนาหายไป เราก็จะรู้สุขยินดีเขาเรียกว่ายินดีกับยินร้ายเนี่ยเวทนาเกิดขึ้นที่กายพอขยับไปขยับมาอา่าเวทนามาเกิดที่จิตเรามีสติตามกำหนด ร, ร, รู้ตามกําหนดทันการกําหนดตามกําหนดรู้ตามกําหนดให้ทันทั้งนี้เนะี่ยกิเลสมันจะแทรกไม่ได้แต่ถ้าเราตามไม่ทันเรากําหนดรู้ไม่ทันเราตามไม่ทันกิเลมันแทรกเข้ามา พอกิเลสมันแทรกเข้ามาอัดตาตัว ต, อตอนเพราะเราก็เข้ามาว่าเราเจ็บว่าเราปวดวเราทนไม่ได้เราต้องเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนเพื่อให้หายเจ็บเพื่อให้หายปวดเนี่ยสภาวะธรรมที่มีเฉพาะหน้ามันก็หายไปไทุกเวทนาที่เป็นสัตย์จะทำปรากฏเฉพาะหน้าของเราก็หายไปเนื่องจากว่าเราเปลี่ยนให้มัน ด้วยเหตุที่ใจเราละเอียดไม่พอเนี่ยใจพอจะพอเราเปลี่ยนปับ๊บพอเราเปลี่ยนปั๊บเนี่ยร่างกายของเราเปลี่ยนจากความขัดข้องเจ็บปวดเนี่ยมาเป็นปกติธรรมดาสบายๆเนีแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาที่ละเอียดเราก็เปลี่ยนมารับทราบเปลี่ยนมารับทราบความความพอดีของกายคือกายไม่เจ็บ ตอนเจ็บเราก็รู้ว่าเจ็บตอนหายเจ็บเนื่องจากเราพลิกปั๊บนี่มันไม่เจ็บเราก็มาจับเวทนาที่กายปั๊บทันทีมาจับเวธนาที่กายปั๊บทันทีเ น, น, นี่ยเราสามารถย้อนหน้าย้อนหลังพลิกไปพลิกมาได้ถ้าเราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหลักของมหาสีประธานเราสามารถจับงานได้ตลอดมันจะไม่หมดงานมันจะไม่ตีไม่กันคือเยวกเรื่องงานมันจะจับไปตลอดแหละไม่ใช่ทาไปทําไปแล้วไปตีไปตันไปหมด ห ม, หมดประตูหมดช่องหมดทางหมดความรู้หมดความเข้าใจก็ตีบไปตันไปอยู่บางคนก็ว่าว่างบางคนก็ว่าเฉยแท้จริงเราก็ไปหมดประตูติีตันอยู่หมดหมดงานทําไม่มีงานทำสแล้วก็จับเอาตรงนั้นแหละมาพูดไอตอนเนื่องมาจากนั้นมีมากมายเยอะะก็ไม่เอามาพูดจับเอาตรงนั้นเอามาพูด ดูให้ชัดเจนดูให้เข้าใจถ้าเราดูไม่เข้าใจเราเองเนี่ยจะหลอกความรู้สึกของเราจะหลอกเราเองความรู้สึกภายในจิตบางอย่างมันไม่ใช่สัจธรรมมันเป็นเรื่องของกิเลสที่เป็นที่เป็นสมุทยัทยสัตว์มันมาหลอกมันมาหลอกก็ทำให้เราเข้าใจทำให้เราเชื่อทำให้เราเข้าใจหลอก หลอกสัจธ ร, รรมสิ่งที่ไม่ใช่สัจธรรมมาหลอกหลอกว่าเป็นสัจธรรมทำให้เราเข้าใจผิดทำให้เราเข้าใจขิดเนื่องจากว่าเราจับไม่ได้ไล่ไม่ทันแล้วก็สุ่มเดาเอาต้องดูไปให้ชัดเจนมีสำคัญอยู่ดูนิจใช้ไข ค, ควนไปที่จิตของเจ้าของเราสามารถจะทำงานได้ละเอียดแยกใคร จิตมันเข้าอยู่ในลักษณะไหนก็ให้เราทราบให้เรารู้ให้เราเข้าใจตามพิจารณารู้แต่ต้องไปหยับพื้นฐานหยับหยาบคือดูกายพิจารณากายไปแล้วมันจะเลื่อนไปถึงไหนไปถึงเวทนาไปถึงจิต ไ, ไ, ไปถึงไหนครับดูไปย้ายมันจีบย่ายมันจีบตันย้า้มันหมดนา น, น, นเวลามันไม่อยากไปหน้าไม่อยากมาหลังอ่ะมันต้องการสงบอยู่กับที่เดียว อารมณ์เดี๋ยวให้มันอยู่อยู่กับความรู้สึกอันเดียวอารมณ์อันเดียวอย่าไปอยู่กับความมืดมืดทึบทึบไม่รู้สึกเมื่อไม่รู้สึกตัวเมือ่อค่อยฉลบไปเลยแบบนั้นอย่าไปอยู่คือก่อนที่จะเกิดแบบนั้นเนี่ยมันมันก็ขาดสติไปช่วงหนึ่งขาดปุ๊บหายเงียบไปเลยแบบนั้นมันมันไม่ได้ประโยชน์มันไม่ได้กำลังมันไม่ได้ประโยชน์ แต่ถ้าหากมันยังเป็ีนก็ปล่อยมันเปลนแล้วก็ค่อยสังเกตจับรู้ให้ทันให้รู้ให้ทันให้เข้าใจพิจารณาไปอยู่ไปดูไปทําไปพิจารณาไปทํามากเท่าไหร่ทาน้อยเท่าไหร่ทําจนได้เหตุได้ผล<อ>รู้ว่าราคะโทสะโมหะของเจ้าของเนี่ยมันเบาบางไปด้วยเหตุใดเบาบางไปมากน้อยเท่าไหร่มัน มันอยู่ลึกอยู่ตื้นขนาดไหนเราจะรู้เราจะเข้าใจเราจะทราบอันนี้เป็นการขัดกลากจิตของเราให้ให้มีธรรมขึ้นมาคือห่างไกลาจากราคะโทสะโมห oh ะให้เบาบางจากราคะโทสะโมหะมีเป็นการปฏิบัติธรรมที่ผู้นี้รวมทั้งสมถะทั้งวิปัสนารวมด้วยกันเรื่องของมาสสติก็คือเรื่องของวิปัสนา เรื่องของความสงบอยู่กับอารมณ์เดียวว่าเรื่อ ง, อ, งองของสมถะแต่ในเมื่อเรามีความรู้สึกอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็อย่าไปแยกให้มันยุ่งเราสมถะหรือยังเราปรัสนาหรือยังอย่ามัวไปแยกให้มันยุ่งขอให้มีความรู้สึกอยู่กับเนื้อกับตัว ต, วตลอดมันจะไม่เสียประโยชน์มันจะได้รับประโยชน์ตลอดอย่าตั้งอกตั้งใจทำ ไม่สําคัญว่าเราทํามากเราทําน้อยเราพึ่งทําไม่ใช่ว่าทํามานานๆหลายปีล้วก็จะสะดวกสบายาง่ายคล่องเรายังไม่เคยทําเลยเราอาจจะไ ม, ไม่ได้รับผลอะไรไม่ใช่เพราะว่าจริตวิสัยมันแตกต่างกันบางคนทํามากกรู้มากก็มีรู้น้อยก็มีบางคนทํามาน้อย รู้น้อยก็มีทํามาน้อยแต่รู้มากก็มีจิตนิสัยลึกตื้นหยาบละเอียดแตกต่างกันบุญญาบารมีสังสมมาแตกต่างกันข้อสำคัญให้เราตั้ง อ, อกตั้งใจทำสร้างฉันทะความพอใจให้กับงานที่เราตั้ง อ, อกตั้งใจทำมีริยะก็อัดเข้าไปจิตตะจิตใจจดจอ่อก็จดจ่อเข้าไป มีปัญหาหลายก็ใครครวรแก้ไขไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจำเพาะหน้าเนี่ยจนได้รับผลที่พึงพอใจเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นคราวเป็นคราวเป็นคราวตลอดไปให้เราทำความดีใจให้เราทำความพอใจอยู่กับงานการอันนี้อันนี้แหละเป็นงานการที่จะเรือฟื้น ขุดคุยขุดคน้นสาเหตุที่จะเอาความทุกข์ทั้งหลายมาเผาหลน่นจิตใจของเราของท่านมันเกิดขึ้นจากที่เหลือตัณหาอาสวะที่มีอยู่ภายในใจซึ่งเป็นพิษเป็นภัยที่เกิดขึ้นที่จิตของเรานั่นเองไม่ใช่เกิดขึ้นจากอะไรราคะโทสะโมหะมันเป็นพิษภัยที่เกิดขึ้นจากจิตมันเป็นพิษที่เคลือบแฝงมากับจิตคือผู้รู้คือธาตุรู้ เรามาพิจารณาเรามาปฏิบัติให้จิตสงบใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาสอดส่องเพื่อรู้เพื่อเข้าใจเพื่อตามตน้นเพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจมันจะเป็นการทําลายความลุ่มหลงไปการที่เราราคะเราก็ลุ่มหลงราคะเข้าไปการที่เราโทสะก็เราก็ลุ่มหลงกับอารมณ์เปลี่ยนให้้ไดเหตุให้เกิดโทสะ มันหลงไปจนเป็นเหตุให้เกิดราคะมันหลงไปจนเป็นเหตุให้เกิดโทสะถ้าไม่หลงในราคะไม่เกิดโทสะไม่เกิดพระอริยเจ้าที่ท่านละท่านตัดขาดไปหมดแล้วเนี่ยท่านไม่หลงหลงเพลินไปกับราคะราคะคือความกำนัดยินดีในรูปชายในรูปหญิงหรือกับสิ่งกับของใช้ทั้งหลายทั้งปวงของดิีของดีเราก็หลงเพลินใช้สิ่งนั้นใช้สิ่งนี้ กระยิมยิ้มย่องเพอยกพอใจใช้สอยกับสิ่งที่ใช้และถูกจะดิบนิสัยถูกอกถูกใจมันก็เป็นราคาอย่างหนึ่งชนิดหนึ่งแต่ราคาที่รุนแรงคือราคาระหวังผู้ชายกับผู้หญิงผู้หญิงกับผู้ชายเนื่องจากว่าเราสําคัญผิดเราเข้าใจผิดหลงผิดหลงสําคัญผิดหลงเข้าใจผิดนี่แหละหลงว่าเป็นชายหลงว่าเป็นหญิง หลงว่าเป็นผู้ชายแล้วก็หลงว่าเป็นผู้หญิงหลงว่าตัวเองเป็นผู้ชายหลงว่าตัวเองเป็นผู้หญิงแล้วธรรมชาติมันก็เรียกร้องสิ่งที่ตรงกันข้ามมันเรียกร้องตามหลักธรรมชาติของมันตามหลักธรรมชาติของกิเลสแต่ถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วท่านให้ใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาย้อนดูสาเหตุต้นต่อของมันอย่างลงืมต า, าทาให้พิจารณาชอบตรงไหน ให้พิจรารณาถามชอบอะไรชอบผู้ชายชอบผู้หญิงชอบตรงไหนก็ถามไปถามไปถามไปเสร็จแล้วท่านก็ให้ใช้หลักการพิจรารณาว่าตั้งกายก็สักเทวดาธาตุดินน้ำลมไฟเราของเราก็สักเทวดาธาตุดินน้ำลมไฟของเขาเขาสักเทวดาธาตุดินน้ำลมไฟดูกลิ่นก็ไม่เป็นที่น่ารักน่ายินดี ดูอวัยวะแต่ละสัดแต่ละส่วนทวานทั้งเกไม่เป็นที่น่ารักใคร่น่ายินดีมีกลิ่นปฏิกูลโสโครกแต่เราดูไปแล้วเราเกิดความกำหนัดเกิดความยินดีเพราะเราหลงยึดหลงถือว่าเป็นชายหลงยึดหลงถือว่าเป็นหญิงถ้าเราพิจารณาศักด์ว่าเป็นธาตุมันก็เป็นธาติอยู่แล้ว เป็นธาพุปิณธาตุน้นำธาตุลมธาตุไฟแต่หากมีรูปพันธสันฐานเนื่องจากเราติดมาตั้งแต่วันเกิดเราก็มีมีการยึดรูปพันธสันฐานทําให้เราติดในรูปพันธสันฐานเนื้คลีดไข้ควนไตตรองจำเป็นของดิบของดีวิเศษวิโสทําลายกิตใจของเราของท่านอยู่พิจารณาดู เราหลงยึดหลงถือหลงสำคัญมั่นหมายถ้าเราไม่หลงเราไปรู้ตามหลักความเป็นจริงว่าศักทว่าเป็นสภาวะธรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าอย่างที่ครูบาอาจารย์ยท่านสอนเราก็ไม่ยึดไม่ติดอะไรเราก็มีเหมือนกันหมดมีหนังมีเนื้อมีกลิ่นปฏิกูลโสโครกยังไงขนาดไหนเราก็มีเหมือนกันหมดมีดินมีน้ามีลมมีไฟ มีเทปมีเจ็บมีปวดมีทุกข์มีทรมานมีภาระต้องแบกต้องหามต้องดูต้องแลต้องประคับประคองต้องรักษาต้องขบต้องฉันต้องกินต้องดื่นมีภาระที่เราจะต้องแบกเท่าๆกันเหมือนกันแต่เราก็ยัง ก็มำหนักจิตใจเราก็ยังรุ่มลงท่านจึงให้พิจารณาให้เห็นเป็นของปฏิกูลถ้าดูไปห้มันเป็นรูปคนถ้าดูเป็นรูปคนแล้วมันยังกำหนักยินดีท่านก็ให้กาหนดเป็นของปฏิกูลกาหนดเป็นหนอนกาหนดเป็นเปื่อยกาหนดเป็นเน่าถ้าเราดูไม่ออกเราก็ดาบีไปเลย ขึ้นอืดเนี่ยเรากำหนดไปเลยตั้งกายขึ้นอืดสัญญาณ ม, มันขึ้นอ่ะสัญญาข้างในคือรูปรูปกับสัญญาณมันขึ้นขึ้นอืดขึ้นเขียวมแมลงวันตัวเล็กตัวใหญ่มาต่อมาชอนมาชัยทั้งไข่แมืงวันทั้งไข่ออกเป็นเม็ดเม็ดทั้งไข่ออกเป็นลูกโยเยยุยับขึ้นมาทันที ดูให้เห็นเป็นของปฏิกูลเสียจแล้วเนื้อเนื้อหนังหนังเนื้อเนี่ยเราก็ค่อยเปื่อยค่อยๆเน่าไปน้ำเหลืองน้ำน้ำเหลืองก็เยิ้มไหลไปแล้วมาพิจารณาถึงกลิ่นถ้าถึงขนาดนั้นแล้วกลิ่นจะเป็นขนาดไหนอะไรยังไงตั้งให้กําหนดกําหนดดูให้เห็นเป็นของไม่ไม่สะอาดไม่งามน่าเปลียดโสโครุนี้ อันนี้ตั้งหากเป็นโลท่านว่าเป็นโลมาปกมาป้องมาปิดมาบังปิดบังอะไรปิดบังราคะที่จะพึงเกิดขึ้นที่จิตถ้าเรามีกำลังไม่พอเราดูไปพิจารณาให้เห็นธาตแท้ในตัวเราในตัวท่านไม่ได้ท่านให้กำหนดเป็นอสุภะขึ้นมาอสุภะแปลว่าไม่งามอะไรที่ไม่งามที่สุดนะเรากำหนดให้เป็นอันนั้น เช่นอย่างเคยเห็นซากศพเคยเห็นซากผีเคยเห็นซากหามาเน่าอยู่ตรงไหนกาวถึงเคยเห็นซากนอนเจาะยูย่เราดูใ ห, ห้ให้ติดตานะเพราะมันติดตาแล้วเราก็เอามาใสา่ใส่คนนะเนี่ยมาใส่ตัวเราเนะี่ยใส่ตัวไหนมันเปื่อยมันเน่าเหมือนอย่างในรูปที่เราเห็นนะนะั่นน่ะนี่กันเรียกว่าอสุภาษสุภสัญญาพระพุเจ้าท่านทรงให้ใช้อยู่อสุภสัญญา สำคัญว่าเป็นอสุภะพราดูไปเพื่อเกิดความเบื่อหน่ายมันเบื่อหน่ายในขั้นในขั้นอสุภะสัญญานะอสุภะสัญญาเนะี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดานะบางทีก็หลายหลาวันเหมือนกันนะกว่ามันจะคลายอารมณ์ต่างๆนี้นไปได้อันนี้เป็นมันเป็นสิ่งที่เอามาปลุกมาป้องมารักษาเนรักษาตัวรักษาจิตรักษาใจ ม่ให้กิเลอนมันเสกสรรปั้นยอว่าเป็นของดีของดีของพิเศษวิโสจนทําให้จิตใจเรากําเริบเสบสารนั่งนึกนั่งกลงัวนั่งคิดเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะ่ะเป็นเทวบุตรเป็นเทวดาไปหมดนะกำเกิบเสบสารทําให้จิตใจเฮืกเขิมแล้วอยังอื่นจะร่วงไปหมดแล้วแหละศีล ส, สมาธิปัญญาที่เคยมีบ้างอะไรบ้างเนี่ยลืมไปหมดร่วงไปหมดแล้วแหละอํานาจของจิตพลังของจิต รังของสมาธิอะไรมันร่วงไปหมดแล้วถ้าปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมาทําลายที่มแทงหัวใจมันจะร่วงไปหมดเละดูเห็นเป็นของปฏิกูลสกครกเกิดความเบื่อหน่ายพายจางนั่งกําหนดเอาเลยนะ่ะกําหนดหเห็นตัวเองตายกันเละกำหนดดูซากผีเน่าตายเฉพาะหนั่นดูเข้าไปนอนตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเขียวตัวเหลือง ดูยอะเยอะเยอะยุบยับยุบยับยุบยับดูไปให้เห็นคลอนมนันยุบยัยุบยับยุบยับ ก, กินครุฑทะลุ ป, ปูปลงไปหมดดูไปที่ทราบอสุภาสัญญาเนี่ยรูปของอสุภาี่ยดูไปแล้วก็เอามาใส่ตัวเราเนี่ยเอามาใส่มันกินหมดทั้งตัวเนี่ยเหลือแต่หนังเหลือแต่กเหลือแต่กระดูกเนี่ยจากนั้นเราก็ช่อนชัยตามข้อต่อทําเอ็นดำ อะไรที่มันดัดถึงกระดูกแล้วก็อนากาันนั้ก็หลุดกล้องไปอนนี้ก็หลุดกล้องไปอนาาันนั้กลุ้งไปกินจนหมดอือย่างนี้ก็เป็นเหตุฉลองหละความกำหนัดความยินดีได้สิ่งวันนี้มันเป็นได้ง่ายมันเป็นได้ง่ายถ้าเราไม่ระวังสิ่งเหล่านี้แหละจะมาบันทอนจิตใจของเราวันคืนลงไปก็บันทอนจิตต่างๆบันทอนสติบันทอนสมาธิ บันทอนปัญญาคือปัญญาโดยทำนึกคิดแต่สิ่งที่กิเลสผ่านนึกพาคิดเวลาเราย้อนดูจริงๆไปแล้วไม่ใช่ามื่อทีกี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยทูมันหลอกมาตลอดกี่วันกี่วันมาเนี่ยถ้าเรานึกเราที่เราปรุงมันทนะูมันหลอกมาตลอดมันหลอกอยังไง มันหลอกว่าดีว่าดีว่าวิเศษวิโส ว, ว่าสวยว่างามแท้จริงพระพุทธเจ้าท่านดูให้เห็นชักแต่ว่าเป็นเป็นสภาวะธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกท่านก็ให้ดูแยกแยะให้ดูถ้าเราแยกแยะได้ทะลุปูโลงเนี่ยมันก็จะเป็นการทําลายก้อนทําลายแท่งทําลายสวดทรงองเอวเอวัยวะน้อยใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายมันก็ทําลายมันแยกแยะส่วนต่างๆออกไปหมดแล้วมันไม่มันไม่ติดในรูปในพยัญชนะในอนุพยัญชนะเนี่ยในในหลักถ้าพูดถึงว่าอาการแต่ละอยา่างแต่ละอย่างที่เรามอามาไข้ครวนนึกคิดและติด อ, อกติดใจเ้าเรียกว่าติดใจทั้งพยัญชนะทั้งอนุพยัญชนะคือกิริยาอาการเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะติดออกติดใจไปหมดถ้าเราติด แต่ถ้าเราดูอย่างใดอย่างหนึ่งออกหมดอย่างอื่ น, นก็ตกมันก็ร่วงเป็นเหมืนกันสักดิ์ว่ากิจยาการเฉยๆท่านเองเราเห็นสักดิ์ว่าเห็นรู้สักดิ์ว่ารู้รู้คติที่เป็นที่ไปที่มาของมันจริงเรื่องนี้แหละมาคอยทิมแทงทำลายหยิตใจของเราของท่านอยู่เนี่ยให้ทํามะตอวังเราต้องการให้ใจสงบภาวนาต้องการให้ใจสงบมันสงบไม่ได้กล้ามาฉันทะเห็นไหม นี่แหละนินวรณตัวแรกมันโผล่มาล้กามไปชันท้าคืออะไรตัวที่รุนแรงที่สุดก็คือตัวนี้แหละมันโผล่เข้ามาแล้วมันมาดึงจิตของเราออกไปใช้ไปสอยมันดึงออกไปวาดสรพัดอย่างที่ที่มันสามารถจะวาดได้มันไม่ต่างอะไรกันเราดูเขาแสดงหนังแสดงละคร วาดได้อันไหนที่มันชอบใจที่สุดมันก็จะวาดตามเรื่องตามเราให้มนะันดึงดจิตใจดึงจิตใจออกไปไปเพลินไปยินดีไปซ่องไปเสพจนสมจิตสนใจมันเอาไปกินหมดเหลือแต่กระดูกมาแล้วแหละเราค่อยมารู้สึกตัวเสร็จมันหมดเอาไปกินจนหมดเลยใจสงบไม่ได้สิ่งนี้แหละมาแทรกจิตใจของเราไม่ให้ ม, มันสงบมันไม่มีอะไรมาแทรกนะ นอกจากความกำนัดกาม่ฉันทะแล้วความไม่พอใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับความมีเรื่องอะไรติดอกติดใจเป็นเหตุต้องเอามานึกมาคิดมาปรุงตามมันไปเป็นเหตุให้เกิดพยาบาทเป็นเหตุให้เกิดโทสะคิดไปถึงเรื่องราวเล็กๆน้อยๆยุ่มๆยิ้มๆอันนั้นไม่น่าจะอย่างนั้นอันนี้ไม่น่าจะอย่างนี้ที่ไปอือันนั้นนี้อันนั้นเ ผิดบ้างเอออันนั้นเราไม่ผิดนะเพราะนั้นผิดผิดอยู่อย่างงั้นแหละไม่จบไม่สิ้นหาจุดจบไม่เจอเนี่ยมันจะสงบได้ยังไงในเมื่อเรื่องเหล่านี้มันโผล่เข้ามาแทงทิมแทงหัวใจนั้นน่าจะอย่างงั้นไอ้ไม่น่าจะก็ไม่น่าเราไม่ตัดมันอ่ะเราปล่อยให้มันไม่น่าไม่น่าอย่อย่างงั้นแหละแท้จริงเราเนี่ยสร้างความไม่น่าขึ้นมาเองมานึกมาคิดมาปรุงแล้วเอาความทุกข์เข้ามา ใจก็เร่าร้อนขึ้นมาเอาความเร่าร้อนเนี่ยมาเผาจิตใจทําให้ใจิต ใ, ใ, ใจไม่ได้รับความเพลิดเพลินได้รับความกลิ่นยินย่องได้รับความสงบได้รับความสุขที่ไหนทูกอันนี้มันเผาอยู่ตลอดเวลาใจสงบไม่ได้การมชันทะยาลืมพยาบาทะพยาบาทธีนะมิทะความที่เราตั้งสติไม่อยู่ไม่ตั้งสติ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้จิตมันตื่นจิตก็จงไปด้วยจงไปด้วยจมไปด้วยจิตไม่ฟูจิตไม่ลอยจิ ต, ม, จตมันจงก็ด้วยบางทีก็ถูกกายดึงเข้าไปจมกายดึงเข้าไปจมบางกายามีกําลังมากเนื่องจากว่าบริโภคมากรับทานมากมีกําลังวางชามากคึกขนองมากร่างกายทับถม จมตีตจิตใจให้กำเริบเถิบอสารอยู่เรื่อยๆจิตใจไม่ตื่นจิตใจจมถูกกายกดทับนั่งสักหน่อยหนึ่งกับง่วงเหงาเผนอนอะทีนะมิถะจากนั้นนึกนั่งนึ ก, นนกคิดปรุงฟุ้งไปจนเป็นเหตุรำคาญจากนั้นแล้วก็สงสัยสงสัยสนเทศมีมักมีผลจริงไหมงนั้นอย่างนี้แท้จริงอันนี้มันมีน้อย ไอ้ไอที่สงสัยไอ้เข้ามาสงสัยคือสงสัย น, นั่นแหะเรื่องการม่ฉันท์เรื่องพยาบาทนั่นแหละไม่รู้เหตุรู้ผลเป็นที่เจี่ยมแจ้งด้วยตัวของตัวมันเองก็เกิดความสงสัยราคาเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเราสงสัยสงสัยในเหตุในปัจจัยของมันไม่รู้เหตุไม่รู้ปัจจัยของมันไม่รู้จักพิจารณาไม่รู้จักแยกแยะพยาบาทก็เช่นเดียวกันเราก็สงสัย ไม่เข้าใจไม่แก่นแท่งในเหตุในปัจจัยของมัไม่รู้จักแยกไม่รู้จักแยกปล่อยใปนเปกันอยู่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นอันเดียวกันเกิดความสงสัยมีวิกิคิจฉาลังเลสงสัยโอกาสที่จะสงสัยคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีและล้วว่าเนี่ยมันไม่มี่ถ้าคนมีความสงสัยถึงขนาดนั้นขั้นนั้นเนี่ยพิจารณาไปแล้วจะต้องได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจแต่มันมันถูกความสงสัยของเกเลตมันดึงไปหมด โอกาสที่จะพิจารณาเรื่องต่างๆเหล่านั้นมันพิจารณาไม่ถึงดอกเกลียมันดึงไปก่อนหมดที่เราติดเราคล้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพุทธะในธรรมารมขึ้นเนื่องจะว่าเราสงสัยเราสงสัยด้วยเหตุที่ว่าเราไม่แก่มแจ้งในเหตุในปัจจัยของมันเราสงสัยในเหตุในปัจจัยของมันเนื่องจากว่าเราไม่ได้เอาสติทําเอาปัญญาทำมาพิจมิตมาพิจารณาย้อนดูตามรู้ตา ม, ตามเห็นตามความเข้าใจของมันแท้จริงทุกสิ่งทุกอย่าง กลัวจะเป็นสภาวะทำเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยพวกมันทั้งนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดดๆโดดโลอยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญตามไปแล้วเราจะเห็นเหตุเห็นๆๆปัจจัยพวกมันหมดทุกสิ่ทุกอยาก่างเนื่องจากเราไม่เห็นเหตุเห็นปัจจัยไม่เห็นเหตุเห็นผลพวกมันเราก็สงสัยเมื่อเราสงสัยก็ถูกเราก็ถูกมันครอบครอบงาหัวใจพวกเราเราจับหลักทําผิดให้ได้รับความสงบ มันไม่ไปหน้ามาหลังไอ้ช่างมันให้มันสงบอยู่กับความสงบซะก่อนให้มีความสงบหล่อเลี้ยงหลอเลี้ยงหัวใจไว้ก่อนทําบ้านทําช่องทําที่อยู่ให้กับใจคือความสงบใจบริกรรมขึ้นมาใจก็สงบบริกรรมขึ้นมาใจก็สงบให้มัอยู่กับความสงบถ้ามันอยากคิดอยากพิจารณาเองอ่ะพอพิจารณาไปแล้วก็สิ่งที่เราทุกเราเห็นเราก็ใจก็จะเริ่มเป็นจินขึ้นมาเริ่มเป็นจินขึ้นมา สภาวะธรรมสักจธรรมที่อยู่ในตัวเราอยู่รอบข้างตัวเรามันก็จะเร well, ิ่มแสดงเหตุแสดงผลออกมาปรากฏที่สติที่ปัญญาที่ใจของเราทุกสิ่งทุกอย่างกจะเริ่มเปิดเผยไปเรียกเปิดเผยไปเรือยคุ้ไปเรื่อยเข้าใจไปเรื่อยเข้าใจเรื่อจะเริ่มได้หลักได้เหตุได้ผลได้ปัจจัยไปด้วยการตั้งใจปฏิบัติ การตั้งใจเจอสำนัธรรมันก็มีกำลังใจมันก็มีกระจิตกระใจมีความยินดีมีความพอใจมีความกระิง ย, ยินยิ้มย่ำไม่อยากปล่อยประละวางเวลาเวล า, เวลาเวลานาทีโมงอยากให้มีเวลาเป็ น, ปนของอย่างเดียวเรื่องเดียวเพราะมันส น, นุกกับการทำงานรู้เห็นเหตุเห็นปัจจัยความทุกไม่มาทิมแทงจิตใจพอความทุกข์มาทิ้มแทงจิตใจทีใดเมื่ อ, อไหร่ตอนใด ย้อนปั๊บทันทีเห็นดูเหตุมันความทุกข์มาทิ้มแทงจิตใจตอนตอนไหนเมื่อไหร่ย้อนดูเหตุของมันทันทีย้อนดูเหตุของมันทันทีเพราะความทุกข์เกิดขึ้นที่กายก็ตามที่ใจก็ตามมันมาจากเหตุจากปัจจัยที่เราเรียกว่าสมุทยัยสมุทยัยย้อนไปแล้วจะไปเห็นตัวต้นต่อของมันต้นต่อของมันก็คือกิเลส ท, ทั้งรู่นนั่นแหละกิเลส ท, ทั้งหมดเกิดขึ้นจากความลุ่มหลงภายในจิตของเรานี่เองมันไม่ใช่เกิดขึ้นจากอะไรที่ไหน จะป ต, ตัวที่ไร้กาดอยู่ที่ใจของเรานี่เองเราจะเราจึงจะได้ตั้งท่าตั้งทางสํารวมระมัระวังจ่อเข้ามาที่ใจของเจ้าของตลอดแหละตอนนี้อจะไปให้แต่คะแนนมันอย่างเดียวกิเลสไปกินหมดนะจ่อให้รู้ที่ไปที่มารู้เหตุรู้ผลของใจของเรากิเลสมันออกมาอย่างนี้แบะมันไม่มันได้ออกมาจากไหนนะมันเติรัก สิ่งนู้นสิน่นี้ที่นู่นทีน่นี่คนนั่นคนนี้วัต ถ, ถุนู้นวัตถุนี้ก็มันก็ไปจับใจนี้ใจมันหลงไปเองมันเพลินไปมันเผลอไปไปยึดไปถือไปเอามาแล้วก็เอาพอบหิ้วกองทุกข์เข้ามาแล้วมันหน้าเค็ดหน้าหลาบนะเวลามันเกิดขึ้นพวกเรามีเวลาเวลาก็ตั้ง อ, อกตั้งใจภาวนาเอาเวลาเวลาให้กับการภาวนาให้ให้ใ ห, ให้ให้มากให้เต็มร้อยได้ยิ่งดี ทุ่มเทให้กับมันทั้งหมดยืนโดนนั่งนอนให้อยู่กับเนื้อกับตัวของมันทั้งหมดอย่าไปนั่งมือเผลอตรงนูน้นตรงนี้ไปมันมันนักกรรมฐ า, านรานี่มันดูแล้วมันน่าละอายน่าละอายใจใจนั่งนึกนั่งคิดเรื่อยเพื่อยกโทษนั้นยกโทษนี้ยกโทษยกคนคนนั้นคนนีเนน้เรื่องนั้นเรือ่องนี้เพรมันน่าละอาย มันเป็นเรื่องชาวโลกพื้นๆทั่วๆไปเขาเขานี้เขาคิดเขาปรุงกันเรามันผ่านมาแล้วย้อนเข้าไปที่เห็นเหตุเห็นปัจจัยของมันทันทีเวลามันเกิดขึ้นมาย้อนไปเห็นทันทีทําไมไม่ย้อนย้อนไปแล้วก็เห็นคําว่าเห็นนี่ต้องเห็นเห็นเห็นเห็นปัจจัยที่อที่เป็นสมุดไทยอย่างแท้จริงไม่ใช่ย้อนไปแล้วก็ไปตำหนิคนนั้นไปตำหนิคนนี้เอ๊ะคนนั้นทําให้เรา ได้รับโทษอย่างนี้คนนั้นทําให้ให้เราได้รับโทษอย่างนี้ทําให้เราเข้าใจผิดอย่างนี้ทําให้เราโทษแต่เขาอ่ะอืมเจ้าของได้รับความเดือดร้อนที่ท้จรินคืออะไรย้อนไปย้อนไปย้อนไ ป, นไปเห็นเหตุเหเห็ น, ห น, หนปัจจัยเราไปรับอามตะาหม่เราไปนึกเอาความไม่ดีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาทิ้งแผงหัวใจทําไมอยู่เฉยๆจิตสงบเนี่ยมันจะไม่ได้รับความทุกข์ นี่มันมันน่าละอายเสียเวลาเวลาให้เสียดายเวลาอย่าเอาความคึกขนองของใจไปหานึกคิดปรุงสิ่งที่ไม่ดีไม่งามโทษนู้นโทษนี้โทษสิ่งนู้นสิ่งนี้มันไม่มีเทวดาที่ไหนมาทําให้เราทุกข์เดือดร้อนเราอะเป็นตัวไปกอบกกยกองทุกข์เข้ามาใส่ใจของเราเองอย่าไปหาเดือดร้อนอย่าไปหาโทษนู้นโทษนี้ในเมื่อเราไปโทษเสร็จแล้วเราไม่รู้จะไปะแก้ตัวไหน มุดเราโทษว่าคนนั้นทําให้เราคนนี้นทําให้เราแล้วแ ล, วแ ล, วแลวไปแกท้ที่ไหนที่ไหนตรงไหนก็ไหนเมื่อไหนเมื่อเขาทําให้เราอไม่ใช่ใเราทําถ้าเผื่อเราทําเนี่ยเราก็จะไม่ทํามันก็หยุดมันก็ชะลออยู่แต่ในเมื่อเราคิดว่าเขาทําเนี่ยแล้วเราจะไปอยู่เขาได้อย่างไงในเมื่อใจของเขากายของเขาอันนี้เราควรจะคิดในแง่เหตุผลนะโดยที่แท้จริงเนี่ยเราทําเราเองความทุกข์ความเดือดร้อน ความทุกข์ความเดือดร้อนไปจําวี่ไปจําวันของใครของเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาจากไหนเกิดมาที่ใจของเราเนี่แหละไปดึงเข้ามาทำไมไปลากไปคิดไปปรุงนึกคิดเรื่อยเปื่อยร่องรอยเท็จจริงยังไงก็ไม่ทราบไม่รู้ไม่เข้าใไม่เคยย้อนดูพิจารณาสาเหตุต้นตอแล้วก็เอาแต่ความร้อนร้อนเอาแต่ความทุกข์เอาแต่วามทุกข์มาทับถมแล้วจะหนีไปไหนหนีไปไหนในเมื่อกายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่แล้วจะหนีไปไหนพ้น ไปอยู่ในถ้ำไปอยู่ในรูไปอยู่ใต้ท้อทะเลที่ไหนก็เอาห อ, อกที่อยู่ตัวนี้ไปด้วยไม่ใช่เหรอมันอยู่ที่กิดอ้ลต้ันระวังให้ดีนั่นแหละพอทุกคนละ